วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สามสิบมิถุนายนพุทธศักราชสอง2ห้ากสบสองเป็นวันหยุดทำงานของสัตธาญาโยมพุทธบริษัทผู้มีความศรัทธาประสาทาใน พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อใช้เวลาว่างนี้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดประโยชน์อย่างสูงสุดนี้เกิดจากการมาวัดเพราะเมื่อมาวัดจะได้ยินได้ฟังว่า อะไรคือประโยชน์อันสูงสุดอะไรไม่ใช่ประโยชน์อันสูงสุดนั่นเองเพราะว่าในโลกที่เราอยู่วันนี้มีประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ปลอมไม่ใช่เป็นประโยชน์จริงประโยชน์ที่จะกลายเป็นโทษต่อไปถ้าไม่ได้มาศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสง์ จะไม่รู้ว่าประโยชน์ที่แท้จริงนั้นคืออะไรนั่นเองถ้าได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือจากพระอริยสงสารของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้เรียนรู้ว่าในโลกนี้มีประโยชน์อยู่สองประโยชน์ด้วยกันคือประโยชน์ ปลอมและประโยชน์จริงนะประโยชน์ปลอมก็คือประโยชน์ทางร่างกายที่เราได้รับผ่านทางร่างกายส่วนประโยชน์จริงคือประโยชน์ที่เราได้รับผ่านทางจิตใจนี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ว่าประโยชน์สูงสุดนั้นอยู่ที่ตรงไหน ปร <departed. |mt|>. ะโยชน์ที่สูงสุดก็ต้องอยู่ที่ประโยชน์จริงประโยชน์จริงก็คือเป็นประโยชน์ที่ไม่มีวันสิ้นไม่มีวันสุดไม่มีวันหมดส่วนประโยชน์ตามก็คือประโยชน์ที่มีวันสิ้นสุดมีวันหมดไปนั่นเองประโยชน์ที่มีวันสิ้นสุดหมดไปก็คือประโยชน์ที่เราได้รับผ่านทางร่างกาย คือลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เองที่เป็นประโยชน์ปลอมเพราะเป็นประโยชน์ชัว่วคราวเป็นเหมือนควันไฟควันไฟนี้จะอยู่ได้ไม่นานพอเราจุดไฟขึ้นมาพอมีควันลอยขึ้นมาเดี๋ยวควันนั้นก็จะจางหายไป นี่คือลักษณะของประโยชน์ปลอมประโยชน์ทางลาบยศเสริญประโยชน์ทางความสุขทางตาหูจมู ก, กลิ้นกายเป็นประโยชน์ที่ชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปพอหมดประโยชน์ที่ได้ก็หมดไปโทษก็จะตามมา คือความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจที่ต้องสูญเสียประโยชน์ต่างๆไปนั่นเองนี่คือประโยชน์ปลอมส่วนประโยชน์จริงคือประโยชน์ที่เราได้ผ่านทางจิตใจผ่านทางการใช้จิตใจเป็นผู้สร้างประโยชน์นี้ขึ้นมาประโยชน์ทางจิตใจ ที่เราจะได้รับก็คือมรรคผลนิพพานนี่เองนี่คือประโยชน์ทางจิตใจมรรคผลนิพพานคือผลที่จะได้รับจากการศึกษาจากการปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ศึกษารู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง แล้วนานาเอาไปปฏิบัติเพผลประโยชน์ทางจิตใจก็จะปรากฏขึ้นมาคือจิตใจจะได้รับการพัฒนายกระดับจากระดับของมนุษย์ขึ้นไปสู่ระดับที่สูงขึ้นไปตามลาดับคือจากระดับมนุษย์ก็จะได้ยกระดับขึ้นสู่ระดับของเทวดา จากระดับของเทวดาก็จะได้ขึ้นสู่ระดับของพรหมจากระดับของพรหมก็จะได้ขึ้นสู่ระดับของพระอริยบุคคลขั้นต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระอารหันต์พอได้ถึงขั้นพระอารหันต์จิตก็จะเข้าสู่พระนิพพาน ได้พระนิพพานมาเป็นสมบัติประนิพานพานก็คือความสุขอันยิ่งใหญ่ความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดความสุขที่ไม่มีวันหมดนั่นเองไม่เหมือนกับความสุขที่พวกเราหาได้จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพาที่ได้มาแล้ว ไม่ช้าก็แล้วก็จะต้องมีวันหมดไปนี่คือเรื่องของประโยชน์อันสูงสุดที่ไม่มีในักไในโลกนี้จะรู้จกักนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่เป็นผู้ค้นพบและเป็นผู้รู้จักวิธีสร้างวิธีรักษาประโยชน์สุกันนี้ ให้อยู่กู้กลับไปกับใจไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดถ้าได้ศึกษาได้รู้จักวิธีปฏิบัติพอน้อมนำเอาไปปฏิบัติจิตก็จะเริ่มได้รับประโยชน์ทันทีรับประโยชน์ตั้งแต่ยังไม่ตายประโยชน์นี้เกิดขึ้นทันทีไม่ใช่เกิดตอนที่ตายไปแล้ว ตอนที่ตายไปแล้วนี้เป็นเวลาที่เปลี่ยนสภาพทางร่างกายไปเท่านั้นแต่สภาพทางจิตใจนี้ได้เปลี่ยนไปตั้งแต่ร่างกายยังไม่ได้ตายเช่นตอนนี้ร่างกายเป็นมนุษย์ใจอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ขึ้นอยู่กับการกระทาของใจ ถ้าใจไปทำบาปทำกรรมอยู่เรื่อยๆนะใจที่มีร่างกายเป็นมนุษย์นี้ก็จะเปลี่ยนจะเสื่อมลงไปทันทีเสื่อมไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นอสุรกายบ้างไปเป็นนรกบ้างอันนี้ เปลี่ยนทันทีเปลี่ยนตั้งแต่ร่างกายยังไม่ได้เปลี่ยนร่างกายยังเหมือนเดิมเราดูหน้าตาในกระจกของเราเวลาเราทําบาปหน้าตาเราก็ยังไม่ได้มีเขาโผล่ขึ้นมาไม่มีหางโผล่ออกมาแต่นั้นไม่ใช่เป็นผู้รับผลของการทําบาปของพวกเรา ผู้ที่จะรับผลทำบาปของพวกเราคือจิตใจผู้รู้ผู้คิดนี่แหละผู้ที่สั่งให้ร่างกายไปทําบาปพอสั่งให้ร่างกายไปทําบาปจิตใจก็จะเสื่อมจากความเป็นมนุษย์ลงไปทันทีเสื่อมทีละเล็กทีละน้อยต่อการกระทําบาปแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับบาปที่ทําว่าหนักเบา มากน้อยถ้าหนักแล้วมากก็จะเสื่อมเร็วถ้าไม่หนักมากไม่หนักไม่มากก็จะเสื่อมช้าการทำบาปนี้จะทำให้จิตใจเปลี่ยนเป็นสี่ลักษณะด้วยกันถ้าทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ก็จะเป็นเดรัจฉานไปทีเดินนิดทีลดินหน่อย ถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะเป็นเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะเป็นอสุรกายถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมก็จะเป็นนรกอ่านี่คือการปล่อยให้จิตใจเสื่อมลง เพราะไม่รู้ว่าบาปนี้มีผลกระทบต่อจิตใจนั่นเองเพราะบางทีไม่รู้ว่าตนเองมีจิตใจเสียได้ซ้ําไปคิดว่าจิตใจเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเป็นเหมือนหัวใจเป็นเหมือนปอดเป็นเหมือนตับไตลำไส้นักวิทยาศาสตร์นี้เขาจะคิดว่าจิตใจนี่อยู่ในสมอง เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายแต่นักจิตศาสตร์คือพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านได้พบได้ค้นพบจากการปฏิบัติว่าจิตใจนี้เป็นอีกคนหนึ่งต่างจากร่างกายเพียงแต่มาอยู่ร่วมกันเป็นเหมือนคู่ครองเป็นเหมือนสามีภรรยาเท่านั้นเอง แต่จิตใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันและรับผลต่างกันทางร่างกายนี้ไม่ได้รับผลจากการทําบุญหรือทําบาปผู้ที่รับผลของการทําบุญทําบาปก็คือจิตใจจิตใจนี้แหละที่เปลี่ยนไปจากจากตอนที่เป็นมนุษย์ แล้วตอนที่มาเกิดนี้จิตใจจะเป็นมนุษย์แต่พอเริ่มทำบาปจิตใจก็จะเริ่มเสื่อมลงไปไปเป็นเดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะเป็นเปรตทำบาปด้วยความกลัวก็จะเป็นอสุรกาย ทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมก็จะเป็นนรกคือรุ่มร้อนด้วยไฟของนรกนี่เองอันนี้เป็นตั้งแต่ร่างกายยังไม่ตายและพอร่างกายตายก็เป็นต่อทันทีถ้าเป็นเดลชาญก็จะไปเกิดเป็นเดลชาญต่อไปถ้าเป็นเปรตก็จะเป็นดวงวิญญาณที่ มีความหิวโหยตลอดเวลาถ้าเป็นอสุลกายก็เป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวถ้าเป็นอารกก็เป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความร้อนด้วยความมาฆาตพยาบาทนี่แหละคือการไม่ได้พัฒนาการไม่รู้จักวิธีดูแลรักษาใจ แล้ววิธีหาประโยชน์ให้กับใจปล่อยให้ไปทำอะไรต่างๆโดยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าไม่เห็นมีผลกระทบอะไรกับร่างกาย เ, ออเวลาทำบาปนี้ร่างกายไม่ได้เปลี่ยนไปตามการกระทำบาปออดูกระจกก็ยังเหมือนเดิมออวันนี้ไปขโมยข้าวของมา หน้าตาก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้เสื่อมไม่ได้อะไรลงไปออก็เลยคิดว่าการทาบาปนี้ไม่มีผลกระทบต่อตอนเองเพราะไปคิดว่าตนเองนี่เป็นร่างกายออหารู้ไหมว่าความจริงร่างกายนี้ไม่ใช่ตนผู้ที่เป็นตนก็คือพูดก็คือจิตใจนี้เอง เพียงแต่จิตใจไม่มีรูปร่างหน้าตาจิตใจเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้ที่มีความรู้สึกรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์หรือรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์อันนี้อยู่ในจิตใจไม่ได้อยู่ในร่างกายและความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เกิดจากการกระทำของจิตใจผ่านทางร่างกายนี้เอง จิตใจเป็นผู้สั่งเป็นผู้กระทาร่างกายเป็นเพียงผู้รับคำสั่งพอทาเสร็จแล้วผู้ที่รับผลจึงไม่ใช่เป็นร่างกายผู้ที่รับผลทันทีก็คือจิตใจถ้าสั่งให้ร่างกายไปทำบุญไปทำความดีจิตใจก็จะได้รับผลคือความรู้สึกสุขขึ้นมาภายในใจ ถ้าสั่งให้ร่างกายไปทำบาปจิตใจก็จะมีความรู้สึกทุกข์ขึ้นมาที่ใจทันทีถ้าสั่งให้ไปทำที่ไม่ใช่เป็นบุญไม่เป็นบาปจิตใจก็จะไม่มีความรู้สึกสุขหรือทุกข์จะรู้สึกเฉยเฉยแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากความเป็นมนุษย์สิ่งที่จะทำให้จิตใจเปลี่ยนแปลงจากเป็นความเป็นมนุษย์ก็คือ การทำบาปหรือการทำบุญนั่นเองการทำบาปก็จะทำให้จิตใจเปลี่ยนไปทางต่ำไปสู่อบายไปสู่การเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นนรกส่วนการทำบุญทำทานนี้ก็จะเปลี่ยนจิตใจให้สูงขึ้นจากความเป็นมนุษย์ จากมนุษย์ก็ให้ขึ้นไปเป็นเทวดาเป็นตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ผู้ที่ทำบุญอยู่เรื่อยๆผู้ที่ไม่ทำบาปอยู่เรื่อยๆจะได้เปลี่ยนจิตใจจากมนุษย์ขึ้นไปเป็นเทวดาผู้ที่ไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำบาปก็จะไม่ได้เปลี่ยนจิตใจจากมนุษย์ ก็ยังจะเป็นมนุษย์อยู่ไปเรื่อยๆ เ, เวลาตายไปก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ต่อแต่ถ้าได้ทําบุญอยู่เรื่อยๆได้รักษาศีลอยู่เรื่อยๆอพอเวลาตายไปใจก็จะเป็นเทวดาใจที่เป็นเทวดาก็คือใจที่มีความความเย็นความสุขความสบาย ใจที่มีแต่สิ่งที่ดีปรากฏขึ้นภายในใจคือมโนภาพต่างๆเราจะสามารถเห็นตัวอย่างของใจตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ได้ว่าใจเราตอนนี้เป็นเทวดาเป็นเปรตหรือเป็นเดรัจฉานก็อยู่ที่ตอนที่เราน อ, นอนหลับแล้วฝันไปนี่เอง เวลาเรานอนหลับเราฝันไปถ้าเราฝันร้ายเนี่ยแสดงว่าใจเรากำลังเป็นอบายเป็นเปรตถ้าฝันด้วยถ้าฝันว่ามีแต่ความหิวโหยมีเรื่องที่ทำให้มีแต่ความหิวโหยถ้าฝันว่ามีแต่สิ่งที่น่าหวาดกลัวก็จะเป็นอสุรกายถ้าฝันว่ามีแต่การฆ่าฝันกัน ล้างแค้นกันจองเวรจองครรมกันก็จะเป็นนรกเนี่ยถ้าฝันว่าไปถูกสัตว์ชนิดนั้นสัตว์ชนิดกัดไป ม, มีเรื่องมีราวกับสัตว์ชนิดนั้นเสนนชนิดนี้ก็กำลังเป็นเดรัจฉา น, นหรือถ้าฝันว่าได้ไปท่องเที่ยวตามที่หน้า น่าเที่ยวน่าดูน่าช ม, า ไ, มได้ดื่มได้รับประทานอาหารได้รับประทานเครื่องดื่มได้ดูได้ฟังาภาพที่สวยงามเสียงที่ไพเราะนั่นแสดงว่าจิตกำลังเป็นเทวด า, ากำลังท่องเที่ยวอยู่ในสวรรค์นี่คือหนังตัวอย่างของวิญญาณของจิตใจ ของพวกเราทุกคนในขณะที่ร่างกายยังไม่ตายไปเราจะพอที่จะรู้สถานภาพของใจของเราอยากเรื่องราวที่เราฝันอยู่นั่นเองฝันดีก็ถือว่าไปสวรรค์ฝันไม่ดีก็ถือว่าไปอบาย น, า น, นี่คือประโยชน์สุขทางจิตใจจะเป็นอย่างนี้ ประโยชน์สุขทางจิตใจเกิดจากการกระทาของจิตใจทาบุญหรือทำบาปแล้วก็จะทำให้จิตใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนสูงขึ้นหรือเปลี่ยนต่ำลงไปนอกจากการเปลี่ยนจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาแล้วยังมีระดับที่สูงกว่าเทวดาที่สาจิตใจสามารถเปลี่ยนขึ้นไปได้ ก็คือจากเทวดาก็เปลี่ยนขึ้นไปเป็นพรหมได้พรหมก็มีสองระดับระดับรูปประพรมและระดับอรูปประพรมจากสวรรค์ระดับรูปประพรมอรูปประรมก็ยังมีสวรรค์เหนือกว่าสวรรค์ของพรหมอีกนั่นก็คือสวรรค์ของพระอริยะบุคคลพระอริยบุคคลเป็นผู้ได้ เข้าถึงมรรคผลนิพพานนั่นเองเออส่วนผู้ที่เป็นเทพเป็นพรหมนี้ยังไม่ได้เข้าถึงระดับของมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานนี้เป็นธรรมที่เรียกว่าโล ก, กุตตะรธรรมคือธรรมที่ออกจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่เข้าถึงโล ก, กุตตระธรรมแล้วนี้ จะเริ่มเดินทางออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดโลกของไตายพบคือโลกของมนุษย์ของเทวดาของพรหมโลกของสัตว์เดรัจฉานของเปรตเป็นของอสุรกายของนรกโลกเหล่านี้พบเหล่านี้เรียกว่าไตรยพบตาแปลว่าสามมีสามพบด้วยกัน การมาพบก็คือพบของผู้ที่ยังเสพกามอยู่ก็คือพบของมนุษย์และเทวดาสัตว์เดลาชานเปรตอสุรกายนรกนี่เป็นที่เกิดของผู้ที่ยังเสพกามผู้ที่ยังหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถะะพีอยู่เวลาตายไปก็ยังจะต้องกลับมาเกิดอยู่ในพบนี้อยู่เรื่อยๆ ส่วนผู้ที่ได้าทาบุญทำทานได้รักษาศีลก็จะเป็นเทวดาแต่ก็ยังอยู่ในกามภพเช่นเดียวกันผู้ที่จะออกจากกามภพก็คือผู้ที่ได้เข้าสู่รูปภพกับอรูปภพอรูปภพอรูกับรูปภพนี้คือสวรรค์ชั้นพรหม การที่จะยกจิตเข้าสู่ระดับสวรรค์ชั้นพรมก็ต้องเกิดจากการถือศีลแปดขึ้นไปแล้วก็ฝึกสมาธิทำใจให้สงบให้เข้าฌานในระดับต่างๆได้ถ้าเข้าในระดับรูปฌานหนึ่งสองสามสี่ได้ก็จะได้เข้าสู่รูปพบพบของรูปประพรม ถ้าเข้าสู่ฌานที่สูงกว่ารูปฌปานคืออรูปฌปานสี่ได้ก็จะเข้าสู่สวรรค์ของอรูปประพมอันนี้เป็นไตรภพบีสามภพบแต่เป็นภพบที่ยังต้องกลับกลับไปกลับมาอยู่ยังต้องขึ้นขึ้นลงล ง, ลงมีเจริญแล้วมีเสื่อมอยู่ผู้ที่ได สร้างรูปภพหรืออรูปภพพอตายไปจิตก็จะอยู่ในระดับนั้นไปจนกว่ากำลังของบุญที่ส่งไปหมดกำลังลงบุญที่ส่งไปก็คือสติที่ใช้ในการควบคุมใจให้เข้าสู่ฌานระดับต่างๆพอสติเสื่อมลงใจก็จะเลื่อนลงจากสวรรค์ชั้นพรมลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพ จากสวรรค์ชั้นเทพก็จะเลื่อนลงมาสู่ระดับมนุษย์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็กลับมาสร้างบุญใหม่แบบตามที่เคยทําต่อไปผู้ที่เคยทําบุญก็จะกลับมาทําบุญต่อผู้ที่เคยทําบาปก็จะกลับมาทําบาปต่อเพราะเป็นดิตสัยของจิตใจของผู้นั้น เหมือนกับผู้ที่เคยใช้มือขวากลับมาชาติหน้าก็ยังจะมาใช้มือขวายังถนัดมือขวาอยู่ผู้ที่ถนัดมือซ้ายก็เช่นกันพอกลับมาเกิดชาติหน้ามาเป็นมนุษย์ก็จะถนัดใช้มือซ้ายต่อไปผู้ที่ชอบอะไรก็จะชอบอย่างนั้นเหมือนเดิมเคยชอบสีขาวสีเขียวกลับมา เกเป็นมนุษย์ก็จะชอบสีขาวสีเขียวผู้ที่ชอบสีแดงสีดำก็จะชอบสีแดงสีดำมนุษย์เราเกิดมาจึงมีความชอบไม่เหมือนกันบางท่านก็ชอบทำบุญบางท่านก็ชอบทำบาปบางท่านก็ชอบใช้มือขวาบางท่านก็ชอบใช้มือซ้ายเพราะนี่มันเป็นนิสัย การกระทำที่เราทำอยู่เรื่อยๆมันจะทำให้ติดเป็นนิสัยไปนั่นเองถ้าเราเคยเป็นเทพพอเรากลับมาจากเทพมาเกิดเป็นมนุษย์เดี๋ยวเราก็กลับขึ้นไปเป็นเทพใหม่ถ้าเราเคยเป็นพรหมเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็จะ กลับมาบวชใหม่มาถือศีลแปดใหม่มาฝึกสมาธิทาใจให้สงบใหม่แล้วเราก็จะกลับขึ้นไปสวรรค์ชั้นพรหมใหม่เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วแต่มันจะเป็นการขึ้นๆลงๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้ายังอยู่ในไตายพบอยู่ถ้าอยากจะไม่ต้องการที่จะมาขึ้นๆลงๆต้องกลับมาเกิดซ้าแล้วซ้าอีก พาการเกิดแต่ละครั้งก็ต้องมาตายมาแก่มาเจ็บมาตายทุกครั้งไปถ้าไม่ต้องการก็ต้องต้องปฏิบัติทำขั้นโลกุตลธรรมขั้นโลกุตรธรรมเพื่อจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานโลกุตลรธรรมนี่จะปฏิบัติได้ก็ต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นผู้สั่งผู้สอน เพราะไม่มีใครในตายภพนี้จะรู้จากโลกุตละธรรมได้ด้วยตนเองมีคนคนเดียวเท่านั้นที่นานๆจะรู้จักโลกุตธ ร, รรมได้ด้วยตนเองคนนั้นก็คือพระพุทธเจ้านี้เองพระพุทธเจ้านี้เป็นคนเดียวที่รู้จักวิธีที่จะยกระดับจิตให้ออกจาก ตายพบได้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่มีใครรู้ต้องรอให้เป็นพระพุทธเจ้าที่ประกาศพระธรรมคำสอนด้วยถ้าเป็นพระพุทธเจ้าที่ไม่ประกาศพระธรรมคำสอนก็จะไม่มีใครรู้ว่ามีโล ก, กุตละธรรมพระพุทธเจ้ามีสอง สองแบบด้วยกันแบบที่ประกาศพระธรรมคำสอนกับแบบที่ไม่ประกาศพระธรรมคำสอนแบบที่ไม่ประกาศพระธรรมคำสอน ก, จกจบบน็จะเรียกว่าพระปเจกาพุทธเจ้าแบบที่สอนก็เรียกว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นพระพุทธเจ้าที่พวกเรารู้จักกันี้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะว่าหลังจากที่พระองค์ได้ส่งตัศรู้โลกุตละธรรมแล้วรู้วิธียกระดับจิตให้หลุดออกจากตายพบได้แล้วพระองค์ก็ไม่อยู่เฉยๆพระองค์ก็นำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ต่อไปพอผู้ที่ไม่รู้ได้ยินได้ฟังแล้วมีศรัทธาความเชื่อน้อมนำเอาไปปฏิบัติ ไม่นานจิตใจของเขาก็าจะยกระดับจิตของตนให้ออกจากตายภพไปได้เข้าสู่โล ก, กุตละธรรมที่มีอยู่สี่ระดับด้วยกันได้ระดับแรกเรียกว่าโสดาบันระดับที่สองเรียกว่าสกิดาคามีระดับที่สามเรียกว่าอนาคามีระดับที่สี่เรียกว่าอารหรัน แต่ระดับนี้ก็จะเป็นการหลุดออกจากไปพบไปตามลำดับนั่นเองถ้าเป็นพระอาหารหัน์ถ้าเป็นพระโสดาบันก็จะหลุดออกจากการไปเกิดในอบายไม่ต้องกลับไปเกิดในอบายแต่ยังต้องกลับไปเกิดในกามาพบอีกไม่เกินเจ็ดชาติ แต่พอได้ขั้นที่สองก็จะลดการกลับมาเกิดในกามมพเหลือเพียงชาติเดียวคือขั้นพระสกิดาขามีพอได้ขั้นที่สามคือขั้นพระานาคามีจิตใจก็จะหลุดจากการไปเกิดในกามมพบจะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาอีกต่อไปแต่ยังไปเกิดในรูปภพหรืออรูปภพ คือดพบของพรมยังติดอยู่ในพบของพรมแต่พอได้ปฏิบัติขึ้นถึงขั้นที่สี่คือขั้นพระอรหันต์พอได้ถึงขั้นพระอรหันต์จิตก็จะหลุดออกจากรูปะพบอรูปะพบเนีพอหลุดออกจากรูปะพบอรูปะพบก็ออกจากไตรภพบออกจากสังสารวัฏผู้ที่ออกจากสังสารวัฏก็อยู่ที่พระนิพพานนี่เอง พระนิพพานคือคนละฟ้ากับไตภพนี่เองไตคดอยู่คนละฟ้าของสังสารวัฏพวกเราตอนนี้อยู่ในฟ้าของสังสารวัฏถก็เปรียบเที่ยบก็เหมือนอยู่ฝั่งทนส่วนพระพุทธเจ้านี้เป็นพวกที่ไปอยู่ฝั่งกรุงเทพท่านว่ายน้ําข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาข้ามไปสู่ฝั่งกรุงเทพได้ะ แต่พวกเรานี้ไม่มีกำลังว่ายน้ำไม่เป็นกันเราก็เลยยังติดอยู่ที่ฝั่งทนอยู่เพราะว่าเราไม่ไปเรียนรู้วิธีว่ายน้ำพอพอเรามาเกิดภพนี้ชาตินี้เราได้มาเจอคนรู้จักวิธีว่ายน้ำว่ายข้ามาสังสารวัตแม่น้ำที่ก้นสังสารวัตกับพระนิพพาน พอเรารู้จักวิธีไหวยนะ้ําเราก็จะไหว้จากฝ่าของสังสารวัตรไปสู่ฝ่าของนิพพานได้อันนี้ต้องมีพระพุทธศาสนามาเป็นผู้สั่งผู้สอนเราถ้าไม่มีพระพุทธศาสนานี้จะไม่มีใครสั่งสอนวิธีที่จะพาจิตใจของเราให้ออกจากสังสารวัตร เพื่อให้เข้าสู่พระนิพพานได้การที่จะเข้าสู่ภาคของสังสารวัฏได้นี้ขั้นตอนก็ต้องปฏิบัติยกจิต จ, จากมนุษย์ให้เป็นเทพจากเทพให้เป็นพรหมก่อนพอถึงขั้นพรหมแล้วถึงจะสามารถที่จะใช้โล ก, กุตรธรรมคือธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรตวที่จะ พาให้จิตใจนี้ออกจากสังสารวัฏได้ทำที่พะเจ้าทรงค้นพบก็เรียกว่าอริยสัจสี่หรือไตรลักษณ์นี้เองผู้ที่เห็นอริยสัจสี่เห็นไตรลักษณ์ก็จะสามารถที่จะยกจิตให้ออกจากการติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏได้ เพราะในอริยาศาสตร์สี่จะทรงแสดงให้เห็นชัดว่าอะไรเป็นเหตุที่พาให้สัตว์โลกกลับมาเกิดในสังสารวัฏอยู่เรื่อยๆนั่นเองสิ่งที่เป็นเหตุพาให้สัตว์โลกกลับมาเกิดในสังสารวัฏก็คือตัณหาทั้งสามนี้เองได้แก่กามตัณหาความอยากเสพกามนี่เองความอยากเสพกามก็จะทำให้มาเกิดในกามะพภนะ ข้อที่สองภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นก็จะพาให้ไปเกิดเป็นรูปเกิดในรูประพบเนี่ยความอยากชนิดที่สองคือวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็ยักพาให้ไปเกิดในอรูประพบเนี่ยนี่คือตัณหาสาที่ดึงให้จิตมาติดอยู่ในใต้ภพ ในภพทั้งสามถ้ามีกามตัณหาก็จะติดอยู่ในกามภพถ้ามีภาวะตัณหาคือมีความอยากเข้าฌานเข้ารูปฌปานก็จะไปติดอยู่ในรูปปมพถ้ามีความอยากเข้าอารูปฌปานก็จะไปติดอยู่ในอรูปปภพสวรรค์ซ่างสามนี้ตายพบทั้งสานี้เกิดจาก ตันหาทั้งสามกามาตันหาพาให้มาเกิดในกามะพบเนี่ยผู้ที่ยังหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ก็จะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตบ้างพวกนี้ยังยังต้องยังยังเสพกามอยู่ส่วนผู้ที่เลิกการเสพกามได้ไป ไปอยู่วัดไปถือศีลแปดไปฝึกสมาธิเข้าฌานขั้นอรูปขั้นรูปปัจจานได้ก็จะมีก็จะไปเกิดในรูปปภูมในรูปปภพนบเพราะเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขของกามาพบนั่นเองผู้ที่ไปถือศีลแปเพราะเขาเห็นว่าความสุขที่ได้จากกรรมนี้ซู้ความสุขที่ได้จาก ชานไม่ได้ชานนี้เป็นความสุขที่มีโทษมีพิษน้อยกว่าความสุขที่ได้จากกามคือรูปเสียงกลิ่นรสเพราะความสุขที่ได้จากกามมันเสื่อมเร็วหมดเร็วเวลามันเสื่อมมันหมดมันก็ทำให้ใจทุกข์ขึ้นมาแต่ความสุขที่ได้จากชานนี้มันเสื่อมช้า ก, กว่าอยู่ได้นานกว่า ความทุกข์จึงไม่ค่อยมีจากผู้ที่หาความสุขจากการเสพชาญไม่ว่าจะเป็นรู ป, ปรชาญหรืออารู ป, ปรชาญก็ตามนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงตัดสู้ทรงค้นพบว่าเหตุที่พาให้จิตใจยังติดอยู่ในตายพบอยู่ก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหานี่เอง ถ้าต้องการที่จะหลุดออกจากกามตันออกจากไตรภพบออกจากกามภพบรูปภพบอรูปภพบก็จะต้องละกามตันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหาตามลำดับ <c oughs> การละกามตันหาก็ต้องใช้ไตรลักษ์ไตรลักษ์เป็นมรรคกรห็ไตรลักษ์ก็คือการเห็นว่าไตรภพบนี้เป็นทุกข ทุกเพราะว่ามันไม่ถาวรได้เป็นอะไรก็เป็นได้ชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันอยู่ภายใต้กฎอนิจจังคือความไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมไม่ว่าจะมาเกิดเป็นอะไรก็ตามเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นมหาเศรษฐีมาเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะต้องเสื่อมต่อไปก็ต้อง แก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามร่ำรวยขนาดไหนยิ่งใหญ่ขนาดไหนในที่สุดก็ต้องเสียมันไปหมดเวลาตายสมบัติเก้าวของเงินทองเอาไปไม่ได้เป็นตําแหน่งต่างๆเอาไปไม่ได้ความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเอาไปไม่ได้รางวัล เหรียญโอลิมปิกเหรียญทองโอลิมปิกก็เอาไปไม่ได้เวลาตายไปก็เลยไปแบบเศร้าโศกเสียใจเพราะไม่มีอะไรติดตัวไปนั่นเองอผู้ที่ต้องการที่จะไม่กลับมาเกิดในกาลมาพบก็ต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์แบบนี้ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราเป็นสมบัติชั่วคราวได้มาแล้วก็ต้องหมดไป พอเห็นด้วยไตยลักษณ์เวลาเกิดความอยากจะเสพการก็จะตัดมันเวลาอยากจะไปหาลาบยศเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายก็จะตัดมันพอตัดมันได้ต่อไปก็ไม่ต้องกลับมาเกิดการ ม, มาพบถ้ามีมีภาวะตัณหามีความอยากที่จะไปเกิดใน รูปภพก็ต้องเห็นว่ามันเป็นอันนีจ้จางทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกันได้ฌานขั้นต่างๆมันก็เสื่อมได้เวลาได้ฌานก็เกิดสุขเวลาหมดฌานก็หมดสุขพอหมดสุขทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ถ้าไม่อยากจะต้องทุกข์ก็อย่าไปเข้าฌานอย่าไปหาความสุขจากฌานพอตัดความอยากทั้งสามได้ ใจที่ไม่มีความอยากนี้ก็จะเข้าสู่ความสงบแบบถาวรคือสงบแบบไม่เสื่อมไม่ได้สงบเหมือนกับสงบแบบฌานสงบแบบฌานนี้ยังเสื่อมได้แต่สงบแบบปัญญาคือละความอยากทั้งสามได้ด้วยปัญญาเพราะเห็นว่าเป็นตายร่างพอจิตไม่มีความอยาก ก็ไม่มีอะไรมาทำจิตให้กระเพิ่มได้อีกต่อไปจิตก็จะสงบตลอดเวลาก็จะเป็นนิพพานขึ้นมานี่นี่คือนี่คื อ, อปัญญาที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้สรงค้นพบสงค้นพบอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมากทุกของ ของกามพภพของรูปภพของอรูปภพเกิดจากการตันหาภวะตันหาวิภาวะตันหาที่พาให้ไปเกิดในภพเหล่านี้แล้วก็ต้องทุกกับการเสื่อมของภพเหล่านี้พอถ้าต้องการที่จะไม่ไปเกิดในภพเหล่านี้ก็ต้องใช้มรรคคือปัญญาให้สอนใจว่าอย่าไปอยาก อย่าไปมีกามะตันหาอย่าไปมีภวะตันหาอย่าไปมีวิภวะตันหาคือทำใจเฉยๆเป็นอุเบกขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงต่ออะไรก็ตามทำใจเฉยๆได้ไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวกับอะไรที่ปรากฏขึ้นใจก็ไม่ต้องมีความอยาก หาเหตุที่มีความอยากก็เพราะเกิดจากความรักชังกลัวหลงนี่เองเวลารักอะไรก็อยากได้เวลาชังก็อยากจะกำจัดมันเวลากลัวก็อยากจะหนีจากมันไปเวลาหลงก็ไปข้างใครไปไปยึดไปติดพอมีอุเบกขาแล้วใจก็จะไม่มีรักไม่มีชังไม่มีกลัวไม่มีหลงพอได้ปัญญา ที่พระพุทธเจ้าสงสอนว่า อ, อ, อย่าไปรักอย่าไปอย่าไปอยากได้อะไรอย่าไปอยากได้รูปเสียงกลิ่นลดอย่าไปอยากได้ฌานอย่าไปอยากได้รูปฌานใจก็จะตัดได้พอตัดได้ความอยากที่พาให้ใจไปเกิดในตายภพก็จะถูกทําลายไปหมดพอความอยากถูกทําลายไปหมด ใจก็จะไม่มีอะไรมาทำให้ใจทุกข์อีกต่อไปมาทำให้ใจต้องไปเกิดที่กามภพรูปพบหรืออรูปพบเมื่อไม่ไปเกิดในไตรภพบใจก็จะอยู่ที่พานิพานนี่คือวิธีว่ายน้ำข้ามฟากว่ายจาก่ากของสังสารวัฏของไตรภพบไปสู่ฟากของนิพาน ก็คือด้วยการมากําจัดความอยากทั้งสามนี้การกําจัดความอยากทั้งสามนี้พระพุทธเจ้าก็ส่งมอบเครื่องมือไว้ให้เครื่องมือที่จะมาช่วยทําให้การกําจัดความอยากทั้งสามนี้กําจัดได้อย่างง่ายได้ก็คือทานศีลภาวนาสําหรับผู้ครองเลือนสําหรับนักบวชก็คือศีลสมาธิปัญญา นี่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปนั่นเองดังนั้นขึ้นอยู่กับสถานภาพของผู้ที่ปฏิบัติว่าเป็นผู้ครองเรือนหรือเป็นนักบวชก็จะใช้เครื่องมือที่ไม่เหมือนกันสำหรับผู้ครองเรือนนี้ต้องใช้ทานเป็นจุดเริ่มต้นก่อน ทานคือการเสียสละแบ่งปันสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่ใช้ในการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าต้องการจะตัดการหาความสุขความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องตั ด, ดที่เงินทองนี้เพราะเงินทองเป็นเครื่องมือของการทำตามความอยากนั่นเอง พอมีเงินก็อยากเที่ยวขึ้นมาอยากไปดูหนังฟังเพลงอยากจะไปหาความสุขทางตาหูจมูกร่างกายอันนี้ก็ต้องทําให้มันไม่มีเงินเสียพอมีเงินมันจะมันจะเป็นจะไปรับใช้ความอยากก็ต้องรีบเอาไปทําบุญทําทานแทนนี่คือการใช้เงินที่ถูกวิธี เพราะการทำบุญทำทานก็ได้ความสุขน่าเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปทำตามความอยากเพราะการไปทำตามความอยากนี่เหมือนไปซื้อยาเสพติดมาเสพส่วนการไปทำบุญทำทานนี้เหมือนกับไปซื้ออาหารมากินระหว่างอาหารกับยาเสพติดอันไหนดีกว่ากันแต่ถ้าเป็นคนติดยามันบองยาเสพติดต้องดีกว่า คนติดยามันไม่กลัวอดตายมันกลัวอดกดยามากกว่าเพราะว่าเวลาอดยามันทรมานมากกว่าเวลาอดข้าวนคนเสพยานี่มักจะพร้อมไม่ค่อยกินข้าวเท่าไหร่เพราะจะเอาเงินไปเสพยาอย่างเดียวจิตใจของผู้ที่ เสพรูปเสียงกิดนสก็เป็นเหมือนคนติดยาเสพติดนะจิตใจจะสู้ผอมจะหิวโหยจะไม่ค่อยมีความสุขจะหิวโหยกับรูปเสียงกิดนสอยู่เรื่อยๆถึงต้องพลอยไปหาเงินหาทองเพื่อมาไปไปไปเสพรูปเสียงกิดนสอยู่เรื่อยๆนั่นเองแต่พอฝืนใจเอาว่าไม่ยอมไปเอาเงินนี้ไปทาบุญดู ไปซื้อข้าวกินดูอันไหนจะดีกว่ากันพอได้กินข้าวแล้วจะรู้สึกว่าร่างกายนี้อิ่มกว่าสบายกว่าต่อไปก็เปลี่ยนวิธีใช้เงินแทนที่จะไปเอาเงินไปซื้อยาเสพติดก็เอาเงินไปซื้อข้าวกินดีกว่าเดี๋ยวไม่นานร่างกายก็แข็งแรงสมบูรณ์ยาเสพติดก็เลิกเสพได้อันนี้ก็เหมือนกัน วิธีที่จะช่วยลดการเสพกามะตัญหาความอยากกามาตัญหาให้น้อยลงก็คือต้องไม่ใช้เงินทองสนับสนุนกามะตัญหานั่นเองอยากไปเที่ยวก็บอมไม่ไปดีกว่าไปอยู่วัดดีกว่าไปทำบุญเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปทำบุญไปอยู่วัดเนี่ยไปอยู่วัดก็จะได้บุญบุญก็คืออาหารของใจนี้เอง นี่คือระดับที่หนึ่งที่ต้องทาให้ได้สาหรับผู้ที่ยังใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆอยู่ต้องเปลี่ยนวิธีซื้อความสุขอยากซื้อความสุขที่เป็นยาเสพติดมาเป็นความสุขที่เป็นอาหารของใจก็คือการทาบุญทาทานพอได้ทำอย่างนี้ไปสักระยะหนึ่งแล้วต่อไปความอยากใช้เงินตามความอยาก เพื่อเสพรูปเสียงกิน่นรสนี้มันจะหายไปจะเบาลงเมื่อเบาลงเงินทองก็จะมีเหลือใช้เพราะไม่ได้ใช้มากหรือถ้าใช้ก็ใช้กับการทำบุญถ้าอยากถ้าอยากที่จะไปปฏิบัติธรรมขั้นสูงต่อไปคือขั้นศีลขั้นภาวนาก็สามารถไปได้ เพราะว่าไม่จําเป็นที่จะต้องดิ้นรนหาเงินเหมือนเมื่อก่อนนี่เมื่อก่อนต้องคอยหาเงินเพื่อจะได้เอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปซื้ออะไรต่างๆแต่พอเลิกเที่ยวเลิกกินเลิกดื่มแล้วเงินที่จะต้องมาใช้กับสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่ไม่จําเป็นอีกต่อไปก็ไม่จําเป็นต้องมีก็เลยไม่จําเป็นต้องหาก็แทนที่จะต้องไปทํางานหามลุ่งหามค่ําก็อาจจะทําพอสบายสบาย พอมีเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอก็จะมีเวลาที่จะไปปฏิบัติธรรมขั้นสูงต่อไปคือรักษาศีลแล้วก็ภาวนาไปถือศีลแปดไปภาวนาไปอยู่วัดได้แต่ถ้ายังไม่เลิกใช้เงินเที่ยวเลิกเงินซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายอยู่จะไม่มีเวลาไป เพราะจะมัวแต่คอยหาเงินได้เงินมาก็ต้องไปใช้เงินเวลาก็หมดไปกับการหาการใช้เงินไปโอกาสที่จะไปรักษาศีลไปภาวนาก็ไปไม่ได้นี่คือวิธีขั้นที่หนึ่งการทำทานนี้เป็นการเปิดประตูให้เราได้เข้าวัดกันให้เราได้ไปปฏิบัติทำขั้นที่สูงต่อไปคือขั้นศีลขั้นภาวนา เพราะว่าถ้าเราต้องการที่จะออกจากสังสารวัฏไปนี้เราต้องไปปฏิบัติศีลไปปฏิบัติภาวนานั่นเองแต่ถ้าเราไม่ทำทานเลยศีลก็จะไม่ได้รักษาภาวนาก็จะไม่ได้ไปพ่อมัวแต่คอยหาเงินหาทองได้เงินมาก็ต้องเอาเงินไปใช้อีกเวลาก็หมดไปกับการหาการใช้เงินไปจนวันแกวันตาย yeah. นี่คือสิ่งที่เราต้องมาเปลี่ยนพฤติกรรมของเราจากการหาความสุขจากการใช้เงินทองเปลี่ยนมาเป็นการหาความสุขจากการไม่ใช้เงินทอง응เงินทองที่จะไปใช้กับความสุขก็เอาไปทำบุญพอเราทำบุญไปสักระยะหนึ่งความอยากที่จะใช้เงินทองเพื่อซื้อความสุขต่างๆมันก็จะหมดไป เมื่อมันหมดไปเราก็ไม่ต้องไปหาเงินมาใช้แบบนั้นอีกเราก็จะมีเวลาว่างทำงานน้อยลงได้แทนที่จะทำงานเจ็ดวันเจ็ดคืนหรือห้าวันห้าคืนต่ออาทิตย์ต่อไปอาจจะทำแค่อาทิตย์ละวันสองวันก็ได้เพราะเราไม่มีค่าใช้จ่ายมากจ่ายแต่เฉพาะค่าอยู่ค่ากินเท่านั้นเองไม่ต้องจ่ายให้พวกกามะตัณหาความอยากในกาม ก็จะทำให้เรามีเวลาได้ไปศึกษาธรรมะศึกษาวิธีรักษาศีว่ารักษาอย่างไรศึกษาวิธีภาวนาว่าภาวนาอย่างไร เ, เมื่อเราได้ศึกษาเราก็จะได้รู้ว่าศีนที่เราจะต้องรักษาคือต้องเป็นศีลแปดขึ้นไปศีนห้านี้จะมีกำลังไม่พอศีนห้านี้มีไว้สำหรับปิดประตูบาย แต่ไม่สา ม, มารถเปิดประตูสวรรค์ได้ถ้าอยากจะเปิดประตูสวรรค์ชั้นพรหมนี้ต้องใช้ศีลแปดถึงจะเข้าสู่สวรรค์ชั้นพรหมได้ศีลห้าเปิดประตูปิดประตูบายแล้วก็เปิดประตูสวรรค์ชั้นเทพแต่ไม่สา ม, มารถพาเข้าสู่สวรรค์ชั้นพรหมได้ถ้าอยากจะเข้าสู่สวรรค์ชั้นพรหมก็ต้องใช้ศีลแปดเพราะถ้า ไม่ถือศีลแปดใจยังไปยุ่งกับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ถึงแมไ้ไม่ได้ไม่ได้แบบต้องใช้เงินมันก็ยังหาได้อยู่ยังไปร้องลำมทำเพลงได้ยังแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปะยังกินแบบเกินความจำเป็นได้อยู่กินตามความอยากได้อยู่ยังร่วมหลับนอนกับแฟนได้อยู่แต่ถ้ามาถือศีลแปด กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ก็จะถูกห้ามถูกงดไปที่ต้องงดเพื่อจะได้เอาเวลามาทำการภาวนานั่นเองเวลานี้มันมีจากัดวันหนึ่งมันก็มียี่บสี่ชั่วโมงไหนจะแบ่งให้การทำงานการหลับการนอนเวลาที่จะเหลือมาใช้กับการภาวนานี้แทบจะไม่มีเลยเราต้องดึงเอาเวลาจากกิจกรรมอย่างอื่นมา ด้วยการถือศีงแปดเราก็จะมีเวลาว่างพอที่จะมาภาวนาได้มาหัดทำใจให้สงบหัดใจหัดทำใจให้นิ่งให้เป็นอุเบกขาเพราะเราต้องการอุเบกขาในการที่จะมาใช้กับปัญญาถ้ามีปัญญาแต่ไม่มีอุเบกขาก็จะไม่สามารถสู้กับความอยากได้ถ้า ถ้ามีอุเบกขาแต่ไม่มีปัญญาก็ไม่รู้ว่าจะเอาเบกขาไปสู้กับอะไรเพรนั้นต้องมีทั้งสองอย่างเบื้องต้นก็สร้างอุเบกขาขึ้นมาดยการทำใจให้สงบเป็นสมาธิที่เรียกว่าเป็นอัปปนาสมาธิสมาธินี้มีสองมีสองขั้นด้วยกันขั้นแรกเรียกว่าคณิกะสมาธิขั้นที่สองเรียกว่าอัปปนาสมาธิ เวลาปฏิบัติใหม่ๆจะได้ขั้นแรกก่อนคือขั้นคันนิกะคันนิกะแปลว่าประเดี๋ยวเดียวหนึ่งขณะคันนิกะมาจากคําว่าขณะขณะหนึ่งจิตสงบขณะหนึ่งสงบแบบงูแลบลิ้นเวลาปฏิบัติใหม่ๆมันจะสงบได้เดี๋ยวเดียวเพราะกําลังของสติยังมีน้อย มีกำลังพอที่จะให้มันสงบแต่ไม่มีกำลังที่จะดึงให้มันสงบไว้ได้นานมันก็จะได้คณิกะสมาธิเป็นเบื้องตน้นแต่พอหัดฝึกสมาธิเพิ่มขึ้นฝึกสติเพิ่มมากขึ้นต่อไปก็จะเข้าสู่อัปปนาสมาธิได้คือสงบได้นานสงบแบบยาวเป็นเป็นหลายสิบนาทีเป็นชั่วโมงขึ้นมา ทำไมต้องให้มันสงบนานๆเพราะว่าสงบนานเท่าไรอุเบกขาก็จะได้อยู่นานมากขึ้นไปเท่านั้นอุเบกขาเป็นเหมือนน้ำเย็นน้ำเย็นเวลาเราเอาน้ำเข้าไปแช่ในตู้เย็นถ้าแช่แป๊บเดียวเอาออกมามันก็เย็นนิดเดียวเอามาเดี๋ยวเดียวมันก็หายเย็นแต่ถ้าแช่ไว้นานมันก็จะเย็นนาน แล้วพอออกมาจากตู้เย็นมันก็ยังเย็นนานกว่าจะหมดทกว่าจะหายเย็นก็ใช้เวลานา น, านกว่าเราต้องการให้มีอุเบกขานานๆหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วเพราะเวลาที่เราจะต่อสู้กับความอยากนี่เราต้องสู้ตอนที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิเพราะตอนที่อยู่ในสมาธิความอยากมันไม่ทํางานนั่นเองมันจะทํางานก็ตอนที่เราออกจากสมาธิมา พอจากสมาธิมาพอไปเห็นข น, นมนี่ความอยากมันก็มาแล้วเห็นเครื่องดื่มความอยากก็มาแล้วเห็นมือถือความอยากก็มาแล้วอยากจะเปิดดูแล้วสิอยากจะดูว่าใครส่งข่าวมาบ้างอยากจะฟังเสียงนะเนี่ยนะพอมันเกิดความอยากก็ต้องใช้อุบเบกขาแล้วก็ปัญญามาห้ามความอยากให้ได้ ปัญาก็จะสอนว่าอย่าไปอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากแล้วมันจะติดมันเหมือนอยาเสพติดนติดแล้วจะทุกเวลาที่ไม่ได้เสพนถ้าไม่อยากจะทุกถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดใหม่ก็อย่าไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสถ้าไม่ถ้ามีปัญญาแต่ไม่มีอุบเบกขาก็จะไม่มีกำลัง สูไม่ไหวรู้ว่าอย่าดูก็ยังอยากจะเปิดดูรู้ว่าอย่าดื่มก็ยังอยากจะดื่มอยากจะกินอยู่แต่ถ้ารู้ถ้าแต่ถ้ามีอุเบกขาพอเกิดความอยากขึ้นมาปัญญาก็บอกว่าอย่าไปอยากถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดในกามมาพบ ก็อย่าไปอยากในรูปเสียงกลิ่นรสนะทุกครั้งที่อยากในกามกามกามกามตัญหาก็เท่ากับการเป็นการตีตัวไปเกิดในกามะพบนั่นเองนะถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดในกามะพบก็อย่าไปตีตัวอย่าไปทําตามความอยากจะห้ามความอยากจะหยุดความอยากได้ก็ต้องมี ทั้งสองอย่างมีอุเบกขาคืออุเบกขานี่คือใจนิ่งเฉยนะั่นนะใจที่นิ่งเฉยไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเห็นอะไรก็เฉยเฉยได้ขนมอมร่อยขนาดไหนเห็นก็เฉยเฉยได้เครื่องดื่มอร่อยขนาดไหนเห็นก็เฉยเฉยได้ยิ่งยิ่งทํามีปัญญาบอกว่าอย่าไปเสพมันนะเสพแล้วเดี๋ยวมันจะต้องกลับมาเกิดในการมาพบนะ เกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายพอมีปัญญาสอนใจที่มีอุเบกขาใจก็ฝืนความอยากได้ฝืนการมัตัณหาได้ถ้าไปอยากเข้าฌานก็ฝืนมันได้บมออย่าไปเข้าฌานฌานเดี๋ยวมันเสื่อมได้เวลาเสื่อมมันก็จะทำให้เราทุกข์ได้ไม่ว่าจะเป็นรูปฌปานหรืออรูปฌปานภาวะตัณหาก็คือความอยากเข้ารูปฌาน วิภาวะตัณหาก็เกิดความอยากเข้าอารูปปัจจาญพอเราสามารถทำใจให้เป็นอุเบกขาได้เราก็ไม่ไปหาความสุขจากการมาพบรูปรพบอรูปรพบได้เพราะใจที่เป็นอุเบกขานี้มีความสุขในตัวมันเอง น่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงสุขอื่นใดที่จะเหนือกว่าความสงบของใจไม่มีความสงบของใจที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยก็คือความสงบที่ระ ง, งับจากกามตัณหาภวตัณหาวิภวะตัณ ห, หานั่นเอง ความสงบของชาวยังเป็นความสงบที่ยังมีพิษมีภัยอยู่ถึง แ, แม้ว่าจะเป็นความสุขที่สูงสุดเหมือนกับความสุขของพระนิพพานแต่ต่างตรงที่ความสุขของพระนิพพานนี้ไม่มีพิษไม่มีภัยไม่มีโทษตามมาเพราะไม่มีความอยากที่จะดึงใจให้ไปเกิดในตพบิกต่อไปแต่ความอยากในการม คามในรูปเสียงกิจลดความอยากในฌานนี้ยังจะดึงใจให้กลับมาเกิดในตายพบนั่นเองนพอมีอุเบกขาแล้วมีปัญญาคือรู้ว่าต้องหยุดความอยากทั้งสามนี้ไม่ต้องไม่ทำตามความอยากทั้งสามนี้ถ้าอยากจะหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบพอทุกครั้งเกิดความอยากขึ้นมาก็หยุดเหมือนหยุดด้วยอุเบกขาหยุดด้วยปัญญา หยุดด้วยไตรลักษณ์ปัญญาก็คือไตรลักษเห็นว่ามันเป็นทุกข์นั่นเองทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกาะว่ามันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นของเราชั่วคราวเป็นสมบัติชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปพอเห็นไตรลักษณ์พอใจมีอุเบกขาก็สามารถสู้กับกามตัณหาภาวตัณหาวิภาวะตัณ ห, หาได้พอสู้ได้ ฌามตันหาภวะตันหาวิภาวะตันหาก็จะหมดกำลังไปแล้วก็จะไม่มีอะไรมาฉุดลากใจให้ไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือโลกุตละธรรมธรรมของพระพุทธเจ้าคืออริยรรสัจสีตายรักอันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้ไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว แต่พอ พ, พระพุทธเจ้ารู้แล้วมาประกาศมาสอนผู้ที่ได้ยินได้ฟังเอาไปพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติก็จะรู้ใจเห็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าก็จะเป็นพระอาลาัยตสาวกขึ้นมาแล้วก็จะเป็นผู้ที่จะเอาความรู้นี้มาถ่ายทอดให้กับผู้ที่ไม่รู้ต่อไปเรื่อยๆมาจนถึงปัจจุบันนี้ตั้งแต่วันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศอริยสัจสี่ใต้รัง ก็มีการเรียนรู้มีการสืบทอดความรู้อันนี้ด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องมีพระอาหารหันต์ปรากฏขึ้นมาทุกยุคทุกสมัยจนมาถึงยุคปัจจุบันนี้และจะมีอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆถ้าตราบใดยังมีการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเลอกเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อไหร่ต่อไป ความรู้อันนี้ก็จะค่อยๆจางหายไปและจะหมดไปในที่สุด น, ะนั่นก็คืออวสานของพุทธศาสนาที่พระตถจ้าได้ส่งทำนายว่าจะอยู่ได้ไม่เกินห้าพันปีต่อไปคนก็จะห่งางศาสนามากขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เพราะความเจริญทางวัตถุมันยั่วยวนกวนใจมันหลอกให้คิดว่าเป็นความเจริญที่แท้จริงเจริญด้วยลาบยศเสริญเจริญด้วยความสุข ทางตาหูจมูกลิ้ไกาเหมือนสมัยนี้เดี๋ยวนี้คนเข้าวัดน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับคนเข้าวัดนี้จำนวนต่างกันมากเนีเมืองไทยมีประชากรเท่าไหร่เจ็ดสิบล้านคนมีคนเข้าวัดกี่ล้านมีคนบวชกี่แสนถ้าเป็นถ้าเป็นพุทจริงๆก็ต้องเข้าทั้งเจ็ดสิบล้านฮะแต่นี้ไม่เข้าเจ็ดสิบล้านไปเข้าผับเข้าบาแทน เพรา ะ, จะเจริญทางนี้เดี๋ยวนี้เดื่มได้ตลอด24ชั่วโมงนูหนังฟังเพลงได้ตลอด24ชั่วโมงก็เลยไม่เห็นมีความจําเป็นที่จะต้องเข้าวัดเข้าว่าสมัยก่อนไม่มีความจเจริญทางรูปเสียงกยลิ่นรสคนก็เลยเข้าวัดกันไปหาความจเจริญทางจิตใจกันแต่ต่อไปก็จะ มีอย่างนี้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยคนจะห่างวัดมากขึ้นไป เ, เรื่อยๆแล้วในที่สุดก็จะไม่มีใครรู้จักโลกุตละธรรมอีกต่อไป เ, ออเมื่อไม่มีโลกุตละธร ร, รมไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติก็จะไม่มีการบรรลุเป็นพราะอารหรันต์เมืมม่อไม่มีพราะอารหันต์มาถ่ายทอดโลกุตระธร ร, รมต่อไปโลกุตละธ ร, รรมก็ไม่มีใครรู้ว่าปฏิบัติกันอย่างไร ต่อไปก็ไม่มีใครอยากจะเข้าหาศาสนาพวกเข้าไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรประโยชน์ของศาสนาก็อยู่ที่มรรคผลนิพพานนี่เองและการที่จะได้รับประโยชน์จากมรรคผลนิพพานได้ก็ต้องมีพระอารหาันต์มาผู้สั่งผู้สอนหรือมีพระธรรมคำสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก แต่ศึกษาจากพระไตรปิฎกกับศึกษาจากพระอาหารหันต์นี้ยากง่ายต่างกันศึกษาจากพระไตรปิฎกนี้อาจจะเกิดความไม่เข้าใจได้มากกว่าศึกษาจากพระอาหารหันต์พะศึกษาจากพระอาหารหันต์ถ้าไม่เข้าใจก็ถามได้ แต่ศึกษาจากพระไตรปิฎกถ้าไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะไปถามใครก็ต้องก็ต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้คำตอบก็อาจจะช้าหรืออาจจะทำให้ไม่อยากจะค้นคว้าก็ได้นี่คือ เรื่องประโยชน์สุขของทางศาสนาที่เราจะได้รับจากศาสนาก็คือมรรคผลนิพพานที่เป็นความประโยชน์สุขที่แท้จริงเพราะจะอยู่กับใจไปตลอดพอได้เป็นพระอาหารหันต์แล้วก็จะเป็นพระอาหารหันต์ไปตลอดพอได้นิพพานแล้วก็จะได้นิพพานไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้ามาหาประโยชน์จากลาบยดสรเสริญหาประโยชน์จากความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้มากได้น้อยพอ ตายไปก็หมดไปแล้วก็ต้องกลับมาหาใหม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่มาทุกข์ใหม่ต่อไปนี่คือเรื่องของการมาวัดเพื่อมาศึกษาให้รู้ว่าประโยชน์สุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่มรรคผลนิพพานนี่เอง ก็ขอให้ท่านจงนำเอาไปปฏิบัติแล้วท่านจะเห็นได้กับตนเองว่าประโยชน์สุขของาศาสนานี้เป็นประโยชน์แท้หรือไม่แท้จริงหรือไม่จริงการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปารลิปุเรนติสาขลง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปักปติอิชิตังปติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปเรนโตสังกปาจันโทปนะหราโสยะธามณีโชติหระโสยะธาสัพพิตโยวิวาจจานโต สัพพโรโควินาสตุมาเตภวะโตอันตรายโยสุขิทีขายุโกภวะอภิวัตนาสีฤทธานิจจังวุฒาปจายโนจตารโหทามวะทานติอายุวันโนสุขังภาลั วันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามาทั้งหมดสามร้อยคน y o u t u สองร้อยสามสิบเก้าคนวิทยุออนไลน์สิบหกคนพูดและฟังบนเขาหนึ่ง้อยห้าสิบคนรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยห้าคนครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย ขอคารนณาอย่าถามตอนที่เราเลิกประชุมแล้วถ้าอยากจะถามโดยที่ไม่ต้องการให้ใครรู้ก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาตอนนี้มีคำถามก็ถามก่อนนีคำถามจากบุญเขานะคะอยากได้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิต ในทางโลกในยุคปัจจุบันตามหลักมัชิมาปฏิปทาครับก็ชีวิตทางโลกก็คือทางานทำการตามหน้าที่ของเราด้วยอาชีพที่สุดจริญเพื่อเอารายได้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอันนี้เป็นเป้าหมายหลักของการดำเนินชีวิตคือต้องรู้จักเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตนเองด้วยสัมมาอาชีพเมื่อมีรายได้มีเงินเหลือจาก าใช้ใจ่ายที่จาเป็นก็อย่าไปใช้กับความอยากต่างๆให้เอาไปใช้กับการทำบุญทำทานแทนแล้วก็พยายามรักษาศีลพยายาม ค, ค, คบคนดีอย่าคบคนไม่ดีคบคนฉลาดอย่าไปคบกับคนไม่ฉลาดคำว่าฉลาดก็ฉลาดในทางธรรมคือให้คบกับคนที่รู้จักธรรมะ เพราะธรรมะเป็นของที่มีคุณประโยชน์ต่อจิตใจที่จะช่วยกําจัดความทุกข์กําจัดความวุ่นวายต่างๆให้หมดไปจากใจถ้าไปคบกับคนไม่ฉลาดทางธรรมก็จะพาเราไปสู่ความทุกข์สู่ความวุ่นวายใจต่างๆแล้ถ้ามีเวลาวันไหนมีเวลาว่างจากภาระกิจการงานก็ไปอยู่วัด ไปศึกษาพระธรรมคำสอนไปปฏิบัติพระธรรมคำสอนอันนี้คือวิธีดำานงชีวิตในยุคปัจจุบันอย่าไปหลงไหลกับความเจริญทางตาหูจมูกนิ้นกายเพราะเป็นเหมือนกับความเจริญของยาเสพติดถ้าไปเสพแล้วจะติดแล้วก็จะทุกเวลาที่ไม่สามารถที่จะเสพได้ คำถามต่อไปจากบนเขาถ้าเกิดเราโกรธเราต้องกำหนดจิตอย่างไรเจ้าคะกำหนดพุทธโธพุทโธไปเวลาโกรธใครรีพุทธโทเทธโทเลยเหมือนทายาหม่องเวลาโดนมแมลงสัตว์กัดต่อยนี่มียาหม่องในกระเป๋าก็เปิดออกมาเปิดตลับทาเลยเดียวๆอาการปวดก็หายไปเวลาโกรธใครก็พุทธโธเลย อย่าไปคิดถึงคนที่ทำให้เราโกรธหรือเรื่องที่ทำให้เราโกรธให้คิดอยู่กับพุทธโธพุทธโธไปนาทีสองนาทีก็ลืมเรื่องนั้นไปความโกรธก็จะหายไปคำถามต่อไปจากคุณพระธาภรณ้องสาวลูกคนละพ่อเขายืมเงินไปไม่ยอมคืนดิฉันจะทำยังไงดีคะ ทุกใจมากค่ะไอ้เกว่าเยอะเงินยืมก็คือเงินที่ถูกขโมยไปเมื่อถูกขโมยไปก็ท่องทําใจว่าไปแล้วไม่กลับถ้าคิดอย่างนี้แล้วความทุกข์ใจก็จะหายไปหรือจะคิดในทางกุศลก็คิดว่าเป็นการทําบุญทําทานไปก็แล้วกันเงินที่เราทําบุญเราไม่รู้จักเราไม่ทุกข์ใจเพราะเรายินดีเราอยากได้บุญ ยังก็เหมือนกันเงินที่ใครขโมยไปหรือยืมไปแล้วไม่คืนเราถ้าเราคิดว่าเป็นการทำบุญเป็นการช่วยเหลือเขาเราไม่ต้องหวังที่จะได้คืนเราก็จะมีความสุขใจขึ้นมาคำถามต่อไปจากคุณนัทธนานยอดนพเก้า 9, ทางปฏิบัติให้ถึงมรรคผลนิพพานนั้น ต้องผ่านด้วยการวิปัสสนาอย่างเดียวหรือผ่านด้วยปัญญารู้ได้ขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายให้ด้วยค่ะออต้องผ่านสามขันม้นเนี่ยทานศีลภาวนาทาบุญทาทานเป็นปกติสสนักษาศีลเป็นปกติแล้วก็ภาวนาทำใจให้สงบเรียกว่าสมาธิความใจมีอยุบเบกขาก็มา ศึกษาทางปัญญาให้เห็นไตรลักษณ์ในสิ่งที่อยากได้แล้วก็จะสามารถระ ง, งับความอยากต่างๆได้พ อ, อความอยากต่างๆถูกระ ง, งับไปนิพพานก็ปรากฏขึ้นมาภายในใจต่อไปคำถามต่อไปจากคุณสุภากัญญาติกอุดมกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าคะ่ะเวลาที่เหมาะสมที่สุด ในการสวดมนต์นั่งสมาธิคือเวลาใดเจ้าคะเวลาที่เราว่างเวลาไม่ว่างมันก็สวดไม่ได้อย่า เ, อาเวลาว่างไปทำอย่างอื่นอย่า เ, อาเวลาว่างไปกินข น, นมนมเนยไปเปิดเฟซเปิดไลน์อย่าไปเอาเวลาว่างไปดูหนังดูละครเอาเวลาว่างมาสวดมนต์คำถามต่อไปจากคุณบุญเสริม กราบเรียนถามครับชาญกับอุเบกขาแตกต่างกันอย่างไรครับก็ชานนี่แหละคืออุเบกขาแต่ต้องเป็นชาญขั้นที่สี่ชานมีหลายขั้นด้วยกันขั้นรู ป, ปรชาญก็มีสี่ขั้นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่ ถ้าอยากจะได้รูปฌานก็ต้องเข้าสู่รูปฌปานอันถ้าอยากได้อุเบกขาก็ต้องเข้าถึงรูปฌปานขั้นที่สี่ขั้นอื่นยังไม่มีขั้นที่หนึ่งยังมีวิตกวิจารมีปิติมีสุขแต่ไม่มีอุเบกขาต้องพุทโธไปเรื่อยๆผ่านขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามจนถึงขั้นที่สี่ก็จะได้อุเบกขาขึ้นมา คำถามต่อไปจากคุณหนมเทพคนที่นับถือศาสนาอื่นนอกเหนือจากพุทธแล้วสามารถบรรลุธรรมได้ไหมครับถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามคาสอนก็บรรลุธรรมไม่ได้นะครับเพราะเขาจะไม่รู้จากวิธีที่จะบรรลุธรรมนั่นเองเขาต้องปฏิบตัติต้องศึกษาวิธีบรรลุธรรมก็ต้องมาศึกษาจากพุทธศาสนา พุทธศาสนานี้ไม่บังคับให้ให้เลือกนับถือศาสนาอื่นศาสนาพุทธนี้เปิดกว้างให้ทุกศาสนาใครจะนับถือศาสนาใดแล้วอยากจะมาศึกษาทางศาสนาพุทธก็ศึกษาได้ไม่ห้ามอํำไปปฏิบัติได้ไม่มีลิขสิทธิ์ไม่สงวนลิขสิทธิ์ไม่เก็บเงินเก็บทองถ้าอยากจะ ไปนิพพานก็ต้องมาศึกษาทางพระพุทธศาสนาเพราะศาสนาอื่นไม่รู้ทางสู่พระนิพพานคำถามต่อไปจากคุณสุปราณีระวังการการถือสินแปดเราสามารถใช้สบู่ที่ทำให้หน้าขาวได้ไหมคะถ้าใช้สบู่เพื่อรักษาความสะอาดได้เหรแต่ถ้าเสริมความงามไม่ได้ไม่ต้องการให้ไป กังวลกับเรื่องความสวยความงามของร่างกายที่ในที่สุดก็ต้องเหี่ยวต้องอต้องเฉาไปในที่สุดกลายเป็นเฉากล้วยไปในที่สุดคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามหากเราทำบุญใส่บาตร และต้องการจะถวายดอกไม้เราสามารถถวายดอกไม้คำเดียวได้ไหมคะหรือว่าต้องสองค ร, รอ๋อได้เท่าไหร่ก็ได้มากหรือน้อยแล้วแต่ศรัท ธ, ธาคำถามจากคุณเพนพันธ์ทัตทวีถ้าตั้งใจถือศีลแปดแต่ถ้าตรงกับวันทำงานจำเป็นต้องแต่งหน้าเพราะต้องทำงานแต่ข้ออื่นๆ พยายามฝึกตนไปจะผิดมากไหมเจ้าคะก็ไม่ผิดหรอกเพียงแต่ไม่ได้บุญเท่นั้นเองถ้ารักษาได้ก็ได้บุญถ้าไม่ได้รักษาสินแปนี้ไม่ถือว่าเป็นบาปเช่นไม่ได้ถ้ายังต้องแต่งหน้าอยู่นี่ไม่ถือว่าเป็นบาปเพียงแต่ว่าไม่ได้บุญบุญได้จากการที่เราไม่มาหลงกับความสวยความงามของร่างกายที่เรารู้ว่าไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเสื่อมอยู่ดี ฉะนนไม่ต้องไปกังวลกับความสวยงามของหน้าตาให้กังวลกับความสวยงามทางจิตใจจะดีกว่าพอสวยงามทางจิตใจเป็นความสวยงามที่แท้จริงและถาวรไม่มีวันเสื่อมไปตามการตามเวลาคำถานจากคุณรัต ด, ดาวันพุมลีนมัสการ์่ า, า, าหลวงพ่ออยากถามว่า การที่เราเอาเงินฝากคนอื่นทำบุญโดยที่ไม่ได้สาธุจะได้บุญใหม่เจ้าคะและแต่เราสาธุตอนที่เขาอยู่ต่างจังหวัดแล้วที่เราอุทิศบุญตามสุสารเราจะได้บุญใหม่เจ้าคะอ๋อได้สาธุไม่สาธุไม่สำคัญขอให้เสียสละเขาของเงินทองไป ถ้าไม่เสียสละเข้าของเงินทองสาธุก็ไม่ได้บุญบุญไม่ได้อยู่ที่การสาธุไม่สาธุอยู่ที่การเสียสละแบ่งปันเข้าของเงินทองของเราไปคำถามต่อไปจากคุณชอบเพตรบันเลงพชงเจดมีความสำคัญอย่างไรเจ้าคะพ่ชงก็เป็นมรดกอีกแบบหนึ่งฮะเป็นมรกเหมือนมรดกมรดกแปบลบ เพียงแต่ว่าสรงแสดงในลักษณะที่ละเอียดเข้าไปในระดับของจิตใจโพชงนี้จะเกี่ยวกับคุณธรรมที่ ท, ที่ที่ต้องใช้ในจิตใจเพื่อที่จะกาจัดกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปเช่นสติสัมโพชฌงสติสมาธิอุเบกขาเนี่เป็นคุณธรรมในระดับของจิตใจเป็นมรรคเหมือนกันมรรคนี้มีหลายรูปลักษณะ บางทีก็ส่งแสดงไปถึงทางร่างกายด้วยเช่นกามะกัมกามสัมมากา ม, มันโตสัมมาวาจาอ น, นี้ออกไปทางระดับกายวาจาแต่ระดับโพชฌงค์นี้ไม่พูดถึงเรื่องระดับกายวาจาจะพูดถึงระดับใจเพียงอย่างเดียวใจต้องมีโพชฌงค์มีสติมีสมาธิมีอุเบกขามีธรรมวิจัยคือปัญญา อันนี้ก็เหมือนกันเวลาพระเจ้าแสดงธรรมบางทีคนที่มาฟังหรือมาถามอยู่ในระดับต่างกันก็เลยต้องแสดงไปในระดับของผู้ที่กำลังฟังผู้กำลังถามอยู่ก็เป็นมรรคเหมือนกันเป็นเหมือนมรรคแปดหมดแล้วเลยค่ะยันไม่ต้องกังวล ขอให้เรายึดแนวศีลสมาธิปัญญาไปแล้วทุกอย่างมันจะเกิดตามขึ้นมาเองพุทชงมันจะเกิดขึ้นมาเองสมาธิอะไรต่างๆเกิดขึ้นตามมาเองทั้งหมดนะเพั้นขอให้เราอยู่ที่การปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาก็แล้วกันแล้วธรรม ต, ต่างๆที่จะมาช่วยในการกำจัดความอยาก